หรือว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่ข้างฟ้าแต่มันเป็นกระจกเอากอนหิงคว้างากระจกก็แตกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำตัวนะเหมือนกับ เ, เรือที่ไม่ว่างนะเรือที่มีคนหรือว่าทาใจแทนที่จะว่างแต่เป็นใจที่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 ท่าใหปริ ก, ก็เป็นท่านที่ไม่มีใครอยู่ท่านมาพำนักนะมาพำนักบ่อยเข้ามาจำพรรษาก็เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่ดีสงบสงัดก็เลยสร้างวัดที่ น, นั่นก็ปรากฏว่านักเลงท้องถิ่นแถวนั้นก็ไม่พอใจ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 กองเอาไว้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ระมัดระวังก้อนหินมันก็เลยเหลื่อมล้มเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดประมาณสักหนึ่งถึงสองนิ้วเท่า น, นั้นแหละมันเหลื่อมล้มเข้าไปไม่ได้มากอะไรเหลื่มนิดหน่อยนะบังเอิญเจ้าของที่เนี่ยเป็น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 เอาหินมาเอาดินเอาหินมากองไว้บนที่กูทำไมนะคนออกไปเดี๋ยวนี้นะพวกมึงคนออกไปเดี๋ยวนี้นะชี้นิ้วเอามือชี้มาที่หลวงพ่อประสิทธิ์นะซึ่งกำลังนั่งเอกคเนกอยู่นะบนกุฏินะใกล้ๆหน้าวัดนะพอท่านได้ยินท่านก็เลยลุกมาแล้วก็บอกว่า จะเอาอะไรกับภาคกับนะกับภาคกับเจ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขนหินขนดินออกไปนะนะขอเวลาหน่อยนะเพราะตอนนั้นมันก็เย็นแล้ว่นอ น, นันก็ไม่พอใจนะก็บอกว่าเนี่ยพวกมึงขนออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ขนนี่กูจะไปแจ้งตำรวจไปแจ้งแนนมเพอ มาจับพวกมึงให้หมดนะไอ้พระเฮงซวยนะหลวงพ่อท่านดีท่านก็ยิ้มนะท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็นั่งฉันน้ําต่อนะเหมือนกับว่าคําด่านะั้นเนี่ยทํำอะไรท่านไม่ได้เลยลองนึกนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยมีคนดาว่าเป็นพระเฮงซวยเนี่ยหลวงแม่ชีเฮงซวยเนี่ยนะจะรู้สึกอย่างไรนะอาจจะรู้สึกเลื่อยขึ้นหน้าขึ้นมาเลยว่า มาพูดกับกูอย่างงี้ได้ไงกูเป็นพระนะทําไมไม่มีสัมมาคารวะนะแล้วฉันเป็นชีนะทําไมมาพูดกับฉันอย่างงีนะ้ความรู้สึกว่ามันยังมีฉันนะฉันเป็นพระฉันเป็นชีเนะีนะ่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันไม่ใช่เหลือที่ว่างแล้วนะมันมีตัวมี ต, มตนก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องแค้นนะนะแต่หลวงพ่อประสิทิ น, นี่ท่านเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเลย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 ก็มาตรวจมารังวัดอ่ะก็เห็นว่ามันก็นิดหน่อยเองนะยังงงแลย้ยไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยทําไมแค่นี้ทําไมถึงเป็นเรื่องเป็นราวได้ก็เป็นกานจบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทําใจให้ว่างนะมีตัวมีตนน้อยเนี่ยไอ้คาพูดคําจาอะไรถึงแม้มันจะอยากคายนะมันก็ ไม่ทําให้สะดุ้งสะเทือนหรือทําให้จิตใจวันไหวนะีอันนี้เป็นการบ้านนะที่ทุกคนต้องฝึกนะแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมดามากนะไอ้คําต่อว่าด่าทอแม้แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็หนีไม่พ้นนะไม่ใช่ถูกต่อว่าเท้านั้นทีถูกใส่ร้ายนะบางทีถูกใสร่นะสร้ายว่าฆ่าคนด้วยนะ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีสมัยที่ปรงอยู่ที่เชตวันนะพวกเดรธีเดรธี ก, ค ก, ก, ก็คือพวกที่เป็นเจ้าลัทธินะเขก็รู้สึกเสียผลประโยชน์เพราะว่าใครต่อใครก็หันมาสมาทานพระรตนาไตรนับถือพระพุทธเจ้าลาบสักการะก็น้อยลงก็เลยหาทางโค่นล้มก็เลยออกอุบายให้ผู้หญิงคนหนึ่ง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 ทงนี้อยู่หลายวันนะเสร็จแล้วจูๆก็เพราบว่านางสนธรีนี้กลายเป็นศพนะพวกเดรัจีนี้เล่นแรงมากนะวางแผนหลอกล่อให้นางสนธรีเนี่ยเข้าไปทำตัวใกล้ชิดเสร็จแล้วก็กำจัดพอพบศพเข้าก็มีการก็มีการใส่ร้ายว่นในผู้จ้าเนี่ยฆ่าปิดปากนะเพราะว่า ได้ทำมีดีมีร้ายนะหรือว่าไปซ่องเสฟกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยพอเขาจะแชร์โพลก็เลยปิดปากนะาการฆ่าคนนี้เรื่องใหญ่นะโดยเพราะาผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานี่คือพระธิดเจ้ า, จานะซึ่งเป็นนักบวชก็มีการ ลือกันไปทั่วทั้งเชตะวันเลยคนเชตะวันนี่อ่ะทั่วทั้งสาวัตถีเลยคนสาวัตถีนี่ก็เชื่อง่ายนะทั้งที่พระเจ้านี่อยู่กับ อ, อยู่ที่เมืองเมืองนี้นะอยู่ที่เชตวันมาเป็น 10, สิบพันษาอยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็ชาวสาวัตถีก็ศรัทธานับถือ แต่พอมีการปล่อยข่าวหรือวันนี้ก็เชื่อง่ายเหลือเกินสร้างเป็นศรัทธาที่งอนงันคลอนแคลนมากผู้คนก็ลุมด่านะพุทธเจ้าหรือว่าดินทากันเซ่งแส้เลยพานนท์ก็บอกว่าเนี่ยนิมนต์พุทธเจ้าว่าให้ให้หนีไปดีกว่านะผู้คนนี่ไม่เป็นมิจกพระพุทธเจ้าเลยแต่พระองค์ก็บอกว่าอื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 อันนี้เรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมคําสรรเสริญคําชื่นชมนะมันเอาแ น, น่นอนไม่ได้วันนี้ชมพรุ่งนี้ด่าเ น, นี่ยอย่าไปปลื้มนะเวลาชมใครชมก็อย่ไปปลื้มมากนะให้เตือนใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอคําด่าแทนก็ได้ถ้ามีคนเขา พูดไปดีนะให้คอคิดดีเขาบอกว่าเนี่ยคําสรรเสริญคําชมเนี่ยก็เหมือนกับมห ม, บมากฝรั่งนะพวกเราคงรู้จักหมาฝรั่งหมาฝรั่งเนี่ยเคี่ยวได้นะแต่ว่าอย่ากลืนนะนะเคี่ยวเสร็จก็ต้องถมนะแต่ต้องถมให้เป็นที่นะนะถ้าถมไม่เป็นที่มันวุ่นวายถ้าไปถมที่ประเทศสิงคโปร์นี่ก็ถูกจับได้คสาสรรเสริญเหมือนกับ หมักฝรั่งนะเคี้ยวได้มันก็อร่อยดีนะแต่ว่าอย่า ก, กลือ น, นะอยึด ก, กลืนแล้วเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกายใครชมเราก็เออก็รับฟังเอาไว้อย่าไปปลื้มมากอย่าไปคิดสำคัญมันหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ <S <S ๆเขาชมว่าเราเก่งก็ <S <S <ๆ>จะไปคิดว่าเราเก่งอย่างที่เขาว่าเพราะวันดีคืนดีเขาหาว่าเราเฮงซวยนะไม่เข้าท่าเนี่ยเราก็จะพลอยวันไหว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 แต่ว่าพอมีผููทุกมีกูัทุกเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วอั น, น้องพยายามทําให้ความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามันหมดเมื่อไหร่นี่ก็ไม่มีผู้ทุกไม่มีกูัทุกนะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนเรือเปล่าวนะก็สบายไปไหนมาไหนก็ได้ปลอดโปรง่ง ในการรับมือกับความไม่เข้าใจผิดเนี่ยมปนเรื่องธรรมดาเนี่ยที่เราต้องฝึกเอาไว้สมัยที่หลวงพ่ อ, อเขียนท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยท่านไปสร้างศูนย์เด็กนะจะใช้ว่าสร้างก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นการสร้างอาคารอะไรที่จริงไม่ใช่นะก็แค่ใช้สาราวัดนี่แหละแล้วก็เอาเด็กมาเลี้ยงนะท่านไม่รู้้วยซ้ำว่านั่นคือศูนย์เด็กแต่ว่า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 มีฐานที่มั่นอยู่แถวเพชรบูรณ์นะไม่ไกลจากที่นี่แล้วก็เขาก็มาลัาตธิวเวรกันบนหลังเขานีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีฐานคอมมิวนิสต์มาป่วนเปียนอยู่ทางราชการก็จับตานะผู้คนบนหลังเขาก็พอเห็นหลวงพ่อท่านทาศูนย์เด็กก็เกิดความระแวงว่าหลวงพ่อนี้เป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์เปล่า มาสร้างสมัครพรรคพวกนะเพื่อเอามาเป็นเครื่องเมืองคอมมิวนิสตนะ์เพราะว่าไม่มีพระรูปไหนทําแบบนี้นะนอําเภอก็ถึงกับไปไปกล่าวหาหลวงพ่อในที่ประชุมข้าราชการประจำอาเภอว่าเนี่ยประจาเดือนว่าหลวงพ่อนี่เป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์อดีหนะ้าที่ยังไม่ว่าว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะแค่ว่าเป็นแนวร่วมมาเล่นการเมืองบนหลังเขา มาสร้างพักพวกมาสร้างเครือข่ายเนี่ยเรื่องนี้ก็มาถึงหูหลวงพ่อนะท่านก็เฉยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรวันดีคืนนี้ก็มีทหารขนอขึ้นรถมาลงที่วัดพ้อมอาวุธ ค, ครบมือนะเหมือนกับทํานองเป็นขู่หลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยเออเขาสงสัยก็ดีเหมือนกันนะ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 ใครก็จะต่อว่าท่านบางทีชาวบ้านก็มาต่อว่าท่านมากล่าวหาท่านท่านก็เฉยท่านก็ยิ้มนะคําถ้อยคําเหล่านั้นทําอะไรท่านไม่ได้บางท่านก็มันก็เจอหนักกว่า น, นั้นนะท่านเล่าว่าเคยอกลางคืนเนี่ยท่านจำที่ศาลาก็มีชายติดอาวุธนะสามสี่คนมาหาที่ศาลา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 นี่ถ้าเกิดมีความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันจะกลัวมากเลยนะกลัวตายอะนี่กูจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยให้คําว่ากูจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยมันทําให้กลัวตายมากเลยแต่เชื่อว่าหลวงพ่อไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะัน่นท่านเหมือนกับเรือที่ว่างเปล่าอย่ไม่มีความกลัวตายนะมันมีแต่ความตายนะแต่ไม่มีผู้ตายนะ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 แต่รู้ว่าถ้ารู้ว่าพวกความจริงว่ามันไม่มีตัวกูนะทั้งตัวทั้งตัวนี้ก็มีแต่รูป ก, กับน้านะไม่มีตัวกูซกซ่อนอยู่ตรงไหนและรูปน้ําแล้วก็ไม่ใช่ตัวกูของกูเนะี่ยถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนะี่ยมันก็มันก็สละนะวางปลดเปลืงความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ก็เรียกว่าวา่างเปล่านะว่างเปล่าจากตัวกูอันนี้ก็เหมือนกับเลือที่วา่างนะเปล่านะเรือเปล่า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 ตั้งสตินึกในใจเออเอาเลือดอาบธรณีสงก็ดีเหมือนกันท่านหมอว่าดีเหมือนกันฮนะดีเหมือนกันก็ให้ฟาดนะฟาดอยู่หลายทีจกระทั่งโยมเนี่ยมาเห็นก็มาห้ามเอาไว้มันลากพระรูปนั้นไปหลวงพ่อท่านก็โดนเจ็บไปหลายสิบเข็มเป็นสิบเข็มแต่ท่านไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยนะตอนหลังพระรูปนั้นก็ถูกจับศึกนะแล้วก็มาขอขามาท่านท่านก็นะไม่ว่าอะไรนะ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 ในชีวิตของพวกเรานี่คงจะต้องมีอะไรจงเจออะไรที่มันมากไปมากไปกว่าคําต่อว่าด่าทอแคําต่อว่าด่าทอเนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจิบจ้อยนะหรือไม่นต่คำใส่ลายแต่นักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยทั้งที่มุง่งจะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เพือนนพ่อนิพพานะแต่พอเจอลมปากเขาก็เซซัดัดซัดนะนะผ่านไม่ผ่านเลย เราปฏิบัติํารมจำนวนมากนี่ไม่ผ่านแม้กระทั่งไอ้โลกธรรมที่เป็นแค่ลมปากนะถ้าโลกธรรมแค่นี้ยังวันไหวนี่แล้วจะเจอโลกธรรมที่มันหนักกว่า น, นั้นจะทําอย่างไรเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยความเจ็บความป่วยนะวเววยนี่ยมันมันของจริงนะมันยิ่งกว่าลมปากเองนะลมปากนี่ได้ยินมันกระทบหูปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่ความเจ็บปวดนี่มัน มันคงมันอยู่ ย, ยั่งยืนเลยนะอยู่เป็นวันอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนเนะี๋ยวเพราะถ้าเป็นโรคร้ายเนี่ยบางทีอยู่เป็นปีเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่ประเดียวประเดี๋ยวอย่างลมปากเนะีย่ยะนั้นถ้าเกิดว่าลมปากนี่ยังไม่ผ่านเนี่ยยังมีความส ก, กูเจ็บกูทุกข์นะยังมีตัวกูอยู่เต็มเปล่าเนี่ยรับรับแรงกระแทกของลมปากเนี่ยยังสั่นสะเทือนและเจอความทุกข์เนี่ย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 อย่างนี้มันหนึ่งจะผ่านไปได้จะทําตัวจะฝึกฝนแค่เป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอนะแต่ก็ยังดีนะที่ยังฝึกที่จะพยายามฝึกให้มีอให้เป็นคนดีนะถ้ายังละตัวตนไม่ได้ยังมีความรู้สึกว่ามีกูอยู่อย่างนั้นก็ให้กูนั่นมันดีนะเป็นคนดีแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ากูเป็นคนดีนะ ทำดีอดีแล้วนะแต่จะไปยึดว่ากูเป็นคนดีนะพอพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันกิเลสขึ้นทันทีแล้วก็ไอความดีหรือความรู้สึกว่ากูเป็นคนดีนี่แหละที่มันสามารถจะกัดเจ้าของได้สามารถทําให้เจ้าของเป็นทุกข์ได้พอเวลาเจอคนที่ดีกว่าตัวเนี่ยก็จะอิจฉาเขานะหรือว่าพอคนอื่นไม่ดีเหมือนตัวโดยเฉพาะคนที่ใกล้เช่นลูกนะ คนรังนี่เขาไม่ดีเหมือนตัวไม่ดีอยงที่ตัวเองอยากจะให้ดีเนี่ยก็จะทุกข์นะหลายคนสึกอับอายนะฉันเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมถือศีลห้าถือศีลแปดแต่ลูกเนี่ยมันดันเกเรเมาเหล้าหรือว่าลูกสาวนี่ดันอท้องก่อนแต่งหรือว่าท้องในวัยเรียนมีนะเขาสึกโโกรธลูกมากเลยเพราะสึกว่าเสียหน้ามากฉนะัอนอุตสาห์นี่ ใครๆก็รู้ดีว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ทําไมแต่ถ้ารู้มีรูปแบบนี้นี่นะฉันจะดูจะสู้หน้าคุณเรงไหลเนี่ยไอ้เนี่ยความที่ว่าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันพลอยทําให้เป็นทุกข์นะแล้วก็พลอยเกลียดลูกงนะบางคนบังคับลูกให้แท้งให้ทําแท้งเลยนะตัวเองถือศีลแปดนะมดยุงก็ไม่ตบไม่บี้นะแต่บังคับให้ลูกนี่ทําแทง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 ไม่บียุงไม่ตบมดไม่บีนี่แต่ไปจะไปบังคับให้ลูกนี่ทําแท้นี่มันทําได้ยังไงตั้งสติได้ก็ก็ไม่ทําแต่ก็มีหลายคนทํำนะเพราะกลัวเสียหน้ากลัวว่ากลัวคนจะหาว่าฉันเป็นนักปฏิปฏปฏาบัติธรรมภาษาอะไรอความยึดมาว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมจะเป็นคนดีนี่ต้องระวังเพราะว่าถ้าไปยึดมันถือมันมากนี่มันสามารถทําให้เกิดปัญหาได้